คอลัมน์นิยายเรื่องสั้นอิงธรรมะเรื่องสิ่งที่อยู่ในก ร, ร ม, มือโดยเฮกนังสิ่งที่อยู่ในการร ม, มือของเขาเป็นเศษกระดาษสีขาวแผ่นเล็กที่ถูกกรรมไว้นานจนชื้นด้วยไอเหงือ่อเขามองมือข้างนั้นอย่างครุ่นคิดช่างใจเนิ่นนานในที่สุดเขาค่อยคลี่นิ้วมือออกช้าๆบนกระดาษแผ่นนั้นมีเพียงตัวเลขหลายตัวปรากฏ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 เก็บๆไปเร็วเหอะพอไม่ชอบเขากระชากเสียงตัดบทลูกชายคนเป็นลูกไม่ต่อล้อต่อเถียงอีกเพราะรู้ดีว่าน้ําเสียงแบบเนี้ยแสดงว่าพ่อโกรธจริงจังและพร้อมจะออกอาการปึงปังด้วยแรงอารมณ์พบรู้ว่าพ่อกลัวปืนที่โกรธก็เพราะกลัวความกลัวพร้อมที่จะประทุออกมาเป็นพายุโทสะแต่พบไม่รู้ว่าทําไมพ่อถึงกลัวปืน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 ระหว่างทางเห็นงูเลื้อยผ่านหลายหนจนเป็นหัวข้อหนึ่งของการสนทนาขณะเดินทางค่ำแล้วฝนตกหนักรถกระบะของเขาติดห ล, มล่มโครนเขากับเพื่อนต้องถอดรองเท้าลงไปออกแรงดันรถท่ถามกลางสายฝนที่โปรยปรายในแมกไม้มืดครึ้มรถกระชากตัวขึ้นพ้นจากหลมพุ่งไปข้างหน้า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 หัวใจที่อ่อนล้าเราจะหยุดทำงานกลับเต้นคึกคักเข้มแข็งพุดลุกขึ้นนั่งได้ในทันใดอ้าวผมนึกว่างูเห่ากาัด <Yeah. S 2> ให้ตายเถอซาบาาเลยไม่เคยเจอใครยังนีไม่ว่าจะ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 สิ่งที่อยู่ในกำมือของเขายามนี้เป็นช่อดอกไม้ทูบเทียนซึ่งอยู่ในมือที่ถูกประกบพนมไหวระหว่างอกแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานหากแต่ไม่มีไอเหงื่อชื้นในกำมือกระทั่งนิ้วมือของเขาถูกคลี่ออกช้าๆท่อนแขนข้างหนึ่งทอดวางราบบนมือข้างนั้นประกฏหยาดน้ำรินผ่านกลีบดอกไม้สีแดงเกาะค้างบนอุ้งมือ